อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะหลังจากที่พบกันเมื่อวานนี้ก็คือเป็นชาววันเสาร์แรกของเดือนกรกฎาคมนะคะก็มีช่วงท้ายของการสากกาหรือการสนทนาธรรมะกับท่านพระอาจารย์ไพบุ์อภิปุโนในรายการธรรมะราป ร, รุณ์เรานี้แหละคะ่ะก็ดิฉันได้ เ, เรียนถามกลับนมรสการเรียนถามพระอาจารย์ไพบุญอภิปุโนกันตรงๆหลังจากที่ได้ตอบปัญหาของ คุณวิไลจิตนะคะว่าท right ําไมมีได้จริงหรือที่ว่าในเมื่อคนมาบวชแล้วเนี่ยจะแบบซึ่งมีรสพระธรรมจนกระทั่งไม่ไม่ไม่อยากจะสึกเลยอยากจะบวชไปตลอดชีวิตอันนี้ก็คิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านหลายท่านคงจะสนใจแล้วก็ตามมารับฟังกันในช้าวันนี้นะคะที่เราเห็นตัวอย่างในข่าวกันแล้วเราก็หลายท่านรวมรวมทั้งตัวเดนเองก็ แต่อนุโมทนาบุญไปในกรณีของท่านพระเจสั์ซึ่งก็ได้เคยติดตามผลงานของท่านตอนท่านเล่นทีวีอยู่ก็ตามดูอยู่อะไรอย่างนี้เจ้าค่ะก็ยังนึกเลยว่าเสียดายเสียดายเหมือนกันที่ว่าจะไม่ได้ดูท่านทำอย่างนั้นแล้วแต่ตอนนี้ในเมื่อเราปฏิบัติธรรมเราก็มีความรู้สึกว่าอนุโมทนาบุญกับท่านเราก็เลยจะเป็นเรื่องที่จะนาเรื่องนี้แหละมาเรียนถามพระอาจารย์ไภบุญอภิพุนโน ซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์องคป่าถกประจำรายการธรรมรัรุ์ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในชาวันนี้กันนะคะคิดว่าหลายท่านตามมารับฟังแล้วล่ะค่ะแล้วก็อยากจะรู้จักพระอาจารย์ไพบรุณอภิปุโนของเราตียิ่งขึ้น ท่านอยู่ที่วัดป่าดอนไห่โศกนะคะย้ําอีกนิดนึงวัดป่าดอนไห่โศกนี่อยู่ถึงจังหวัดอุดรธานีนู่นเลยนะคะอยู่ที่ตําบลดอนไห่โศกอําเภอหนองหานวัดนี้ก็มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อดออรสะอาดที่ตัวาโซหรือท่านพระคุณสิทธิ์พปภกรท่านเป็นเจ้าอาวาสค่ะก็ขอนําท่านผู้ฟังม า, ากราบนมัสการแล้วก็คุยกับพระอาจารย์ไพบูลหรือสากัะชาธรรมะกันต่อเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าขาพระอาจารย์เจ้าขาเจนพาน เจ้าค่ะเราพบกันในเช้าวันอาทิตย์นี้นะเจ้าคะ่ะก็ต้องคิดว่าต้องอทำตามสัญญาคือบอกให้ท่านผู้ฟังตามมารับฟังในเช้าวันนี้นะเจ้าคะ่ะซึ่งเป็นวันอาทิตย์ที่สองของเดือนกรกฎาคมวันที่แปดกรกฎาคมเนี่ยเจ้าคะ่ะก็อยากจะขออนุญาตกราบนักปรสการเรียนถามพระอาจารย์ซึ่งอาจจะเป็นส่วนตัวนิดนึงแต่เนื่องจากท่านตอนนี้มีลูกศิษย์ลูกหาเยอะก็คงอยากจะรู้จักพระอาจารย์ว่า เมื่อเปรียบเทียบกรณีของพระเจสันนะเจ้าคะที่โยมเกริ่นไปเมื่อสักครู่นี้คิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านส่วนใหญ่เนี่ยรู้ข่าวนี้ละเพราะว่าคลึกคลุมทั้งทางด้านทีวีวิทยุอะไรต่างๆรวมทั้งหนังสือพิมพ์ด้วยเมื่อเปรียบเทียบกับกรณีของพระอาจารย์ น, นะเจ้าคะที่พระอาจารย์บวชได้ประมาณหกเจ็ดพรรษาเนี่ยพระอาจารย์เองเท่าที่โยมขออนุ ญ, ญาตนะเจ้าคะที่จะเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังว่าก่อนที่พระอาจารย์จะมาบวชแล้วก็มาเป็นลูกศิษย์ของ พระเดชพระคุณหลวงพ่อดอรสะอาดที่ตโตภาสนั้นพระอาจารย์ไปบูญอภิปุโนของเรานี่ก็ท่านจบการศึกษาะระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยวูลงกองที่ออสเตรเียนะคะแล้วก็ทำงานเป็นเรียกว่าท่านปิดวิศวกรท่านทำงานในระดับ international เพราะว่าเป็นหัวหน้าระดับหัวหน้าแล้วก็ทำงานอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์โดยที่จะงานของท่านนั้นก็จะ เป็นครอบคลุมเครือข่ายรับผิดชอบหลายหลายประเทศในภูมิภาคนี้ทีนี้เมื่อท่านมาบทเรียนเนี่ยแล้วเสร็จแล้วปรากฏว่าท่านก็ละทางโลกเลยตัดสินใจมาทางธรรมอย่างแท้จริงแล้วก็ลึกศึกษาอย่างลึกซึ้งเนี่ยก็ขออนุญาตกราบนัสกษารเรียนถามพระอาจารย์ไพบูลเลยนะเจ้าคะ่ะถ้าเปรียบเทียบเคสของพระเจสษณยางกับของพระอาจารย์ไพบูลเนี่ยเจ้าคะ่ะคงจะมีหลายคนรวมทัานโยมเองด้วยเนี่ยอยากจะกราบนักศึกษารเรียนถามว่า จิตใจของคนเราเนะเจ้าค้าที่ว่าเป็นยังเป็นหนุกอยู่เนี่ยอายุ30มสิบกว่าเนี่ยตอนพระอาจารย์มามาบวชนิยมคิดว่าก็คงพอๆกับพระเจสันเนี่ยเจ้าคหรืออาจจะอ่อนกว่าด้วยซ้ำเป็นไปได้หรือเจ้าค้าที่เราจะสามารถตัดสิ่งต่างๆเหล่านะั้นแล้วก็จิตมามุ่งอยู่เฉพาะทางธรรมนี้อย่างแท้จริงอันนี้ก็ิยมอยากขออนุ ญ, ญาตกราบนำ้ำสการเรียนถามเจ้าค่นิมน อาีารย์พานก็จะพูดนิดนึงแต่คุณใจถ า, <ไ>ถามถึงเรื่องนี้ <c oughs> ก็ก็คืออาตมาก็แบ่งปันได้นะสามารถแบ่งปันประสบการณ์ที่ได้ก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นความลับหรอกอย <Okay. S 2> จริงๆตัวอย่างเรื่องนี้ะจะจะเปรียบเทียบกับตัวของอาตมาเองหรือว่าพระเจสันก็ตามเนี่ย <Okay. S 2> เราเปรียบเทียบไม่ได้เลยกับพระพุทธเจ้าแต <Okay. S 2> นะ่ถ้าเราพูดถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยนะโอ้โหแบบอะไรนะเป็นกษัตริย์น่ะจะได้เป็นกษัตริย์ต่อไปก็ยังสละได้มีลูกน่ารักมีภรรยาสวยก็ยังสละได้ เงินทองทรัพย์สมบัตินี้มากมายมากกว่ามากกว่าเราอีกแต่แต่ว่าที่ที่พูดถึงตัวอย่างที่ให้มีในปัจจุบันนี่เพราะว่าอันนี้เป็นเป็นประสบการณ์ตรงนะที่เราเห็นได้เป็นตัวคนเป็นๆที่เราได้ฟังเสียงอยู่มันจึงเป็นประสบการณ์จาก เ, าเรียกประสบการณ์อันดับที่หนนะประสบการณ์ต่อเนื่องกันก็จะไม่เหมือนกับที่เรื่องที่ได้ฟังฟังมาเป็นเรื่องของผู้เช่านะอยู่ในกำ pi อะไรต่างๆมันก็จะเป็นเรื่องที่ห่างไกลยอยู่ แต่ถ้าเปรียบเทียบกันแล้วของผู้เช่านนี่เลิศ ก, กว่ามากนะเอานี้กลับมาพูดถึงประเด็นที่ที่คุณเตือนใจถามนะมว่าเอ๊ะทำไมบางคนบุคคลบางสักคนบุคคลใดบุคคลหนึ่งเนี่ยจะมาเห็นคุณในธรรมข้า น, านัยนี้หรอแล้วเราจะมาบวชอยู่ได้ตลอดชีวิตเป็นไปได้อย่างไงหรือว่าอาศัยเหตุปัจจัยอะไรใช่ไหมจุกค่ะที น, นี้ก็จะต้องอพูดถึงกรณีอย่างนี้ก่อนว่ า, าถ้าเราเคยเปรียบเทียบนะเราเคยเปรียบเทียบเรื่องนี้ ให้ฟังกันอยู่ว่าสมมติคุณเตืนใจเนี่ยมีของของเล่นเด็กอยู่เนี่ยที่เป็นของเล่นที่เราเคยมีในสมัยก่อนนะเช่นอะไรบ้างหนังสติ๊กเขาเรียกว่าที่กระโดดหนังสติกกันะหรือว่าลูกหินผู้หญิงนี่เขาก็จะเล่นตุ๊กตากันใช่ไหมแล้วก็ขนมครกเขามาเข้ามาแกงขนมครกอะไพวกนี้ผู้ชายก็จะเล่นดิดลูกหินหรือลูกคางนี่มันสมัยโบราณแล้วเดี๋ยวนี้เขาเล่นเกมกด P S P 2นะหรือว่าเล่นเกมกดอะไรต่างๆที่เขามีกัน เล่นเกมในคอมพิวเตอร์อ่าพวกนี้นะถ้าเป็นเด็กก็อาจจะมีพวกตุกต๊กตุนตุ๊กตาจักรยาน3ล้อจักรยานอะไรต่างๆแบบนี้แต่ทีนี้พอเราโตขึ้นมานะเป็นผู้ใหญ่แล้วนะเป็นผู้ใหญ่เนี่ยก็จะมีของเล่นของผู้ใหญ่จะเป็นถ้าเป็นผู้หญิงคุณก็จะมีการแต่งหน้าเครื่องสําอางอะไรพวกนี้ของสวยงามนะถ้าเป็นผู้ชายก็จะเป็นรถยนต์เกมคอมพิวเตอร์เครื่องเสียงหรือว่าจอภาพทีวีอะไรต่างๆที่เขาจะนิยมเล่นกัน บางคนก็ชอบเล่นกล้องนะจ๊ะเล่นกล้องพวกนี้กล้องวิดีโอกล้องถ่ายรูปนะซึ่งถามว่าเอ๊ะแล้วของเล่นเก่าๆที่เราเคยเล่นมาเนี่ยเราเรามีอยู่ไหมก็ยังมีอยู่บางคนยังเก็บไว้อยู่ด้วยซ้ำแล้วทําไมคุณไม่กลับไปเล่นอีกอ่ะคําตอบที่ได้รับก็คือว่ามันมันไม่สนุกแล้วมันเป็น<ช>จืดๆไปเพราะว่าของเล่นใหม่นี่เราดีกว่าตั้งเยอะใช่ไหมแทนที่คุณจะมาเล่นตุ๊กตาบาร์บี้อย่างเงี้ยแล้วแต่งตัวให้ตุ๊กตานะ สีหผมให้เปลี่ยนเสื้อผ้ามันว่ตอนนี้ฉันมาแต่งหน้าชั้นเองดีกว่าจะนไปซื้อเสื้อผ้าสวยๆมาใส่ของชั้นเองดีกว่านั้นดีกว่าเยอะสนุกกว่าใช่ไหมเราแต่งตัวของตัวเองเองใช่ไหมนั่นก็เพราะว่าเราเราเห็นสิ่งที่ดีกว่าเราจึงไม่เอาของเก่านะเช่นเดียวกัน <S <S บุคคล <S <S ที่จะอยู่ในธรรมวินัยนี้ได้เนี่ยจะต้องเห็นสิ่งที่ที่ดีกว่างหนอกในะอย่างสมมุติว่าไปมาบวชอ่ะคนจะมาบวชเนี่ยสมมุติคนมีเงินเดือนเป็นหลายแสนเนี่ย คุณมาบวชเอ๊ะคุณแล้วต้องเงินเดือนหลายแสนนี่คุณไม่ได้นะแต่ถามมากจึงต้องกลับมาถึงประเด็นที่ว่าธรรมะมีค่าเท่าไรธรรมะมีค่าเท่าไหรนมากกว่าเดือนและแสนแสนไหมทีนี้มันก็อยู่ที่ว่าคุณให้ค่าเท่าไหร่ล่ะธรรมะนี่เป็นของหาค่าไม่ได้นะถ้าถ้าจะบอกว่าได้มากกว่าเดือนและแสนแสนมาเออย่าพูดเลยนะมีค่าเท่าทั้งชีวิตยังให้ได้แใสําหรับบางคนเพราะว่าเพราะว่าคคคุุุณเเห็นนนววาาาามมสสขขททีี่่กกิดจใใภย เออเป็นความสุขที่เรียกว่าคารวาสก็ไม่มีกันนะเป็นความสุขที่เกิดจากในภายในอย่างพระเนี่ยไปกินข้าวเย็นก็ไม่ได้คุณตื่นใจไม่ต้องพูดถึงว่าไปเที่ยวเทกเที่ยวผับกินอาหารเลิศหรูตามพัตคาร์นะจะไม่ได้เลยในอาหารเย็นๆที่อาหารเย็นที่เขาเสิร์ฟกันดีๆเนี่ยพัตคารบางอย่างเปิดหลังเที่ยงอย่าเงี้ยเป็นอาหารเลิศหรูอลังการทั้งนั้นเลยแต่ไม่เคยเห็นพระนี่ไปกินสักทีนะเพราะว่าไปหาความสุขประเภทนั้นไม่ได้นคือตื่นเช้ามากินข้าวมื้อเดียวก็จบเลย นะบางคนอาจจะถึงเที่ยงก็จบเลยนะแล้วถามว่าความสุขของพระอยู่ที่ไหนนะความสุขเนี่ยก็คือความสุขที่เกิดจากในภายในนะถ้าเราเห็นความสุขตรงนี้คุณตื่นใจไอ้ยางอื่นเนี่ยมันจะกลายเป็นเรื่องที่ เ, เหมือนของเล่นเด็กอะ่นะชื่อเสียงลาบสักการะเงินที่เคยมีเนี่ยมันกลายเป็นของเล่นเด็กไปคืออย่างน้อยเนี่ยคุณบวชมาเนี่ยนะหรือใครสักคนใดคนหนึ่งที่เค ย, เ, เ, คยเคยมีประสบการณ์มาแล้วเนี่ย ผ่านกิจกรรมอะไรต่างๆมาแล้วเนี่ยแล้วถ้าจะหมดบวชเนี่ยเพื่อหวังชื่อเสียงเนี่ยอันนี้ไม่ใช่แน่นอนเพราะว่าถ้าคุณจะหวังชื่อเสียงคุณก็เป็นคราวาสต่อไปสิจ่มาอย่างกรณีของพระใจสันเนี่ยถ้าคุณต้องการมีชื่อเสียงคุณก็ไม่ต้องมาบวชจ่มาคุณก็อยู่เป็นฆราวาสนี่ยังมีชื่อเสียงมากกว่าถ้าคุณต้องการเงินเนอะอยู่เป็นคราวาสมีเงินมากกว่าที่จะหมดเป็นพระอีกจะมาทีนี้มาบวชเป็นพระเนี่ยเพราะว่าหาความสุขที่เหล่านั้นให้ไม่ได้ซึ่งเป็นความสุขที่ชื่อเสียงก็็ตตาามมมเงินกให้้้ไไ่ดแลว ความสุขนี่ยังเหนือกว่าเงินเหนือกว่าชื่อเสียงตรงนี้แต่ถ้าเราเห็นตรงนี้ปุ๊บเนี่ยโอ้โหมันมันเหมือนกับคนที่ขับเบนซ์แล้วนะเมื่อก่อนเคยขับมอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยไม่ใช่ฮาร์เลยนะขับมอเตอร์ไซค์ธรรมดาธรรมดาน ะ, ะขับ side, รรมอเตอร์ไซค์ธรรมดามาแล้วต่อมาคุณได้ขับเบนซ์เนี่ยคุณมีเงินจกนกคุณคือซื้อเบนซ์ได้ของตัวคุณเองขับเองได้แล้วเนี่ยมอเตอร์ไซค์คุณไม่มองมีอยู่ไหมมีอยู่ที่บ้านเอาไปซื้อก๋วยเตี๋ยวข้างข้างบ้า น, นเฉยๆล่ะคับไปซื้อก๋วยเตี๋ยว แ ต, แต่ถ้าจะไปไหนไปนู่นไปนี่ฉันขับเบนซ์ไป ค, นะคือก็ไม่ได้เล่นไม่ได้ไปขับมอเตอร์ไซค์หรือไม่ได้คิดว่าจะซื้อมอเตอร์ไซค์อีกแล้วเพนะราะตัวเรามีเบนซะ์ขับเช่นเดียวกันถ้าเรามีความสุขที่เกิดจากในภายในแล้วเนี่ยนะโอย้ยังอื่นมันเป็นเรื่องเล็กไปมีอยู่ว่าจริงแต่ว่าไม่อยากได้ไม่อยากเอาผู้ช่ยเคยปรีดีเที่ยวตรงนี้ เ, เหมือนกับใบไมนะ้ที่หลุดออกมาจากขั้วแล้วเนี่ยนะใบไม้แห้งหลุดออกมาจากขั้วแล้วจะไปต่อเนี่ยมันไม่ติดเพราะว่าคนที่เห็นความสุข จากการที่อยู่ในแนวทางคือมั๊กเนี่ยน ะ, ะความสุขอื่นๆเนี่ยก็จะจะเป็นจืดๆไปจืดๆไปอันนี้<ช>คนที่มาปฏิบัติธรรมเนี่ยจะรู้ได้เฉพาะตนด้วยไม่ใช่ว่าจะต้องมาบวชเท่านั้นออย่างเช่นคนที่มาเรียนได้ปฏิบัติธรรมเนี่ยคุณมาตั้งสมาธิจนกระทั่งคุณจิตสงบลงไปแล้วเนี่ยพอคุณกลับบ้านไปเนี่ยสิ่งแรกที่คุณจะรู้สึกเลยก็คือว่าเฮ้ยความสุขอย่างอย่างเวลาไปกินข้าวเย็นดูหนังตลกตลกเนี่ยมันมันค่อนข้างจืดๆลงไป ไม่ได้ทำ ค, คุณตื่นใจคุณจใจเป็นยังไงไหมอือโยมก็เดี๋ยวนี้ก็จะไม่ค่อยได้ดูทีวีอะไรเงี้ยเจ้า<อ>ค่ะ<อ>แล้วก็มีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยอจิตสงบมาเจ้าค่ะ<อ>ไม่ว่าใครจะมาพูดอะไรแบบเรื่องคนนั้นคนนี้อะไรเนี่ยโยมจะไม่อยากฟังแล้วจะรู้สึกว่าไม่ไม่อยากให้พูดเลยว่าเราอยากทํางานหรืออะไรไปอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแล้วก็โยมก็คิดว่าโยมปล่อยวางหมายถึงว่า ปอยได้จริงๆนะเจ้าค่ะไม่ใช่พูดแต่ปากเท่านั้น อ, ๆๆอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่โยมทําอยู่ <ๆ S 2> แต่เดี๋ยวจะมีกรณีที่สําหรับโยมเองที่จะกราบานักมรสการเออจะกราบขอเรียนถามพระอาจารย์เช่นกันเจ้าคะ่ะอันนี้ก็คือพูดว่าเราเร า, เราแตกต่างเรารู้ล้วถึงจิตเรา<ม>ว่าเราอ่างนเจ้าคะ่ะทีนี้ว่าพอเรารู้อย่างนี้แล้วเนี่ย <คะ S 1> ถ้ามีโอกาสเนี่ยเราก็จะพยายามที่จะสแสวงหาตรงนี้ให้มากยิ่งขึ้นไปนะหรือว่าถ้าโอกาสมันยังไม่ให้ยังไม่ได้ แล้วอย่างบางคนที่ยังมีความคิดว่าจะบวชแต่ว่าตัวเองยังไม่ได้มีโอกาสมาบวชอย่างเงี้ยคุณก็ก็ต้องทําท่านที่ไปก่อนใช่ไหมเพราะมีโอกาสเมื่อไหร่จิตมันก็จะน้อมมาทางนี้ <Okay. S 2> พุทเจ้าเคยพูดถึงฆราวาสบางคนนะที่ว่าบวชมาแล้วเสื็จแล้วก็สึกไปก็ยังมีจิตน้อมไปในทางเนคขมะในการที่จะออกจากกามก็มีเร <Okay. S 2> นะาก็หรือว่าคนที่เคยมาปฏิบัติธรรมมาบวชอย่างเงี้ยระลึก อ, อยู่แล้วว่าเออการบวชนี่ดีกว่าที่จะมาอยู่เป็นฆราวาสนะเ อ, อแต่ว่าตอนนี้มันยังยังไม่มีโอกาสอย่างเงี้ย ก็เลยทำให้จิต ย, ยังจะน้องไปในทางนั้นอยู่อย่างไรก็ตามก็ทำหน้าที่เราให้เสร็จก่อนอทีนี้ที่พูดตรงนี้เนี่ยเพราะว่ามีพราหมณ์คนหนึ่งนะชื่อคณะกะโมคารณาพราหมณ์เนี่ยเขาเคยได้มาพูดกับพระพุทธา ว, ว่าเขามีเครื่องอ้างอิงเครื่องยืนยันนะว่าพระพุทธาเนี่ยเป็นพระพุทธาจริงพรนะธรรมเนี่ยธรรมเป็นสวัขาตาประสงค์เป็นสุปฏิปันนั้นเนี่ยพระเขามีเครื่องอ้างอิง อ, อยู่4อย่างหนึ่งในอย่างนั้นเนี่ยก็คือว่า ถ้ามีกระบาดคนไหนเนี่ยเป็นข้าราชดีเป็นคนรวยเป็นก็เรียกว่าเป็นคนมีเงินมีน้าตาถือตานะพวกนี้ถ้ามาบวชแล้วเนี่ยมาตั้งคําถามมาถามพุทธเจ้าหรือว่ามาลองปฏิบัติ ด, ดนะูแล้วปรากฏ ว, ว่ายังไม่ทันจถามพระุทธเจ้าแสดงทำให้เห็นสิ่งที่ถูกสิ่งที่ผิดแล้วก็ขอบวชบวดแล้วก็บวชไม่สึกตายคาผ้าเหลืองเนี่ยแสดงว่านี่ของจริงแน่นอนธรรมานี่ของจริงพพุทธเจ้านี่ของจริงพระสงฆ์นี่ของจริง <Okay. S 2> ถ้าผอกว่าเราเราสมัยนี้เรางเห็นไหมนะบุคคลที่เป็นเชื้อเจ้าก็ตามเป็นข้าราชการระดับอธิบดีรองอธิบดีเป็นนายพลเนะ่พวกนี้มาบวชไม่สึกมีมีเยอะเหนะมือนกันนะจ๊กรหรือว่าเป็นลูกเศรษฐีมหมาเศรษฐีมาบวชไม่สึกมนะีเป็นชาวบ้านธรรมดาเลยเป็นลูกชาวนาอย่างเงี้ยมาบวชไม่สึกก็มีแนะสดงว่าทํางานิยมของจริงนะของจริงอย่างนี้เราเชิญมาพิสูจนะ์ใครมาพิสูจน์มาพิสูจน์ได้เลย นะแล้วก็ให้เห็นจริงตามนี้คุณจะได้เห็นรู้จริงประจักษ์ด้วยตัวเองนะล้วก็ไม่ได้ที่จะคอยมาหมกเม็ดปิดบังกันนะคุณจใจถามนะไาก็บอกให้นะ ว, ว่าถ้าเราเจอความสุขชนิดนี้แล้วเนี่ยอะไรมันก็เทียมไม่ได้จุดนี้นะเจ้าค่ ะ, คะแต่ตอนนี้ โยมขออนุญาตกลับเรียนถามว่าสำหรับชายไทยเราเนะเจ้าค่ะที่ mm hmm. เป็นพุทธศาสนิกชนเนี่ยบางท่านก็รู้ลหละว่าต้องบวชทดแทนคุณพระคุณของบิดามารดาหรือคุณพ่อคุณแม่เรียกว่าให้ท่านได้ ชื่นใจเกาะชายผ้าเหลืองขึ้นสวรรค์ตามความเชื่อของเรานาะเจ้าคะแต่ก็มีหลายท่านที่โยมเห็นว่าส่วนใหญ่โดยซ้ําไปาก็คือบวชเพราะคิดว่าบวชให้คุณพ่อคุณแม่จากนั้นก็ก็สึกออกมาไม่ได้ว่าคิดว่าจะอยู่ในผ้าเหลืองตลอดไปอันนั้นเป็นส่วนใหญ่ของในสังคมนะเจ้าคะ อ, อ, อันนี้ถือว่าเขาไม่เข้าถึงรสพระธรรมไหมเจ้าคะอันนี้โยมถามตามตามหมายถึงว่าความรู้สึกของชาวบ้านเราทั่วไปเ่ะอคะอันนี้ก็อาจจะมีทั้งทั้งใช่และไม่ใช่ คือหมายความว่าบางคนเนี่ยจะต้องเลิกร้างไปนเนื่พราะว่าหนึ่งอาจจะมีความคิดว่าธรรมะวินนี้มันปฏิบัติยากั้นถ้าเราอยู่ปฏิบัติแล้วเราทําไม่ดีโอ้ยสู้เราสึกไปดีกว่าประเภทนี้ก็มีในประเภทที่1 ห, หรือประเภทที่2คิดว่าโอ้ยธรรมะวินัยนี้ไม่มีอะไรดีฉันไปเป็นฆราวาส ด, ดีกว่าก็มีนในสมัยก่อนก็มีพระห ล, ล, ลายๆรูปที่คิดอย่างนี้นหรืออย่างพระอริยอครสาคตก็สาวกที่เป็นเขาเรียกว่าสิติมาสาวกเนี่ยนะแปรูปเนี่ย บางองค์ก่อนที่จะสึกเนี่ยคิดอย่างนี้ก็มีนะคือคือเกือบที่จะศึกไปแล้วเนี่ยผู้ชามาห้ามไว้ก่อนแต่อย่างพระโซนะอย่างเงี้ยโหเดินจงกรมจนเท้าแตกมันคิดว่าเออฉันก็รวยอยู่นะพ่อแม่ฉันก็ยังมีตังว่ามันปฏิบัติแล้วไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นมาเลยชีวิตนี้ว่าสึกดีกว่าคิดอย่างงี้แต่โชคดีผู้ชามาห้ามไว้ก่อนนะทำให้บรรลุเป็นพระอรหันต์ได้นี่คือกรณีที่สใช่ไหมหรือว่ากรณีที่4อาจจะมีภารกิจอะไรต่างๆมากมายอยู่ยังยังบวชต่อไม่ได้ มีภาระทางครอบครัวใช่ใช่ก็ทำให้เขาอาจจะโบกต่อไม่ไคือหมายว่าเขายังละไม่ได้นะเขายังมีจิตผูกพันอยู่ในสิ่งที่เขาเขายึดถืออยู่ทำให้เขาไม่สามารถปฏิบัติต่อไปได้อันนี้ก็มีหลายเหตุผลพระเจ้าพูดถึงห้าเหตุผลอยู่นาจะเป็นเพราะว่าความโกรธก็ได้หรืออาจจะเป็นเพราะว่าอดข้าวเย็นไม่ได้ก็มีก็มีอยู่ห้าเหตุผลพระเจ้าเคยบอกไว้พระอาจารย์ช่วยช่วยเผยห้าเหตุผลนี้ได้ไหมครับข้อแรกก็คือว่าเป็นเพราะว่ายังลุ่มหลงในกาม แล้ยังติดกามอยู่ก็คือยังละไม่ได้แล้วลิปสองนี่ยเพราะว่าความโกรธใครจะพระหนุ่มๆที่พันษามมากกว่าเราแต่เราอายุมากแล้วมาบวชที่หลังเนี่ยมาเที่ยวบอกว่าเธอต้องทําตัวอย่างนี้นะอย่าทําอย่างนี้นะโอ๊ยทําใจไม่ไหวเศึกดีกว่าอย่างนี้ก็มีอหรือว่าอันที่สามนี่เพราะว่าความที่ว่าไม่เห็นว่ามีอะไรดีก็มีเพราะว่าความที่มีทิฏฐิที่ไม่ถูกต้องอันที่สี่นี่ก็เพราะว่าเรื่องอาหารอดทนไม่ได้ เนะี่ยต้องอคือเป็นผู้ที่เลี้ยงยากนิดนึง <You S 2> นะอยู่ว่างั้นเธอ <c oughs> ในธ <c oughs> รรมวิ น, นี้สําหรับคนเลี้ยงง่ายอย่างเงี้ยนะมีผ้าอะไรก็อยู่ตามมีตามได้แต่ว่าอยู่ไม่ได้อ่ะก็ต้องก็ต้องศึงออกษาไปอย่างเงี้ย <c oughs> อันที่ห้านี่ก็เพว่าจิต ฟ, ฟุ้งซ่านก็มีนะีฟุ้งซ่านแล้วก็ปฏิบัติไม่ได้ฟุ้งซ่านไม่เห็นอะไรดีก็เลยสึกษาไปก็มีมีห้าอย่างนี้เจ้าค่ะจริงๆ <c oughs> อันนี้เป็นเรื่องของพระใหม่ที่ต้องคอยระวังนะยิ่งจะใกลพ้พรรษาเนี่ยอพระที่คิดว่าจะบวชเนี่ยนะต้องคอยระวังห้าอย่างนี้ ผ <Okay. S 2> า้เช่าเคยพูดถึงวายในะปเปรียบเทียบกับจรนะเข้ในที่คเครื่องปากเรื่องท้องการกินนะฉลามนะปลาฉลามนี่คือเรื่องของเพศตรงข้ามในะที่จะมาดึงคอยดึงเราให้หลุดจากธรรมะในนี้นะอันที่สนี่คือน้นําวนน้ําวน น, ว น, นี่คือเปรียบสมุนกาเมคุณที่จะจะคอยดึงเราให้ให้ไหลออกไปตามนะแล้วก็คลื่ น, <c oughs> ค, ลนคลื่นนี่คือความกโกรธนะความกโกรธและอย่างที่3อย่างสุดท้ายนี่คือความฟุ้งซ่านนะ ท, <c oughs> ที่จะอยู่ในจิตของเรา อ่าทีนี้ถ้าใครข้ามพวกนี้ได้คุณก็จะพอจะอยู่ได้ในธรรมะวินัยนี้อืมเจ้าค่ะแล้วยมคิดว่าเป็นแง่นี้ด้วยนะเจ้าค่ะว่าคนที่จะเข้าซึ้งถึงรสพระธรรมแล้วก็มองเห็นคุณค่าของความสุขสงบร่มเย็นอย่างแท้จริงตามองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้ก็คงจะต้องมีบุญด้วยใช่ไหมเจ้าค่ะยมยมคิดว่าอย่างนั้นนะเจ้าค่ะอันนี้ไม่ทราบพระอาจารย์คิดว่าอย่างไรเจ้าค่ะ บ, บุญตรงนี้นหมายถึงอินทรีย์ของเขา ในอินทรีย์เนี่ยคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาห้าอย่างนี้จะเป็นตัวแปรที่ทําให้ใครสักคนในคนหนึ่งเนี่ยอยู่ในธรรมะวินัยนี้เป็นบวชเป็นพระอยู่ได้อืเจ้าค่ะแต่ที่บวชแล้วแบบไม่ศึกแล้วล่ะแบบรักทางนี้เลยอจะมุ่งไปทางนี้อะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะเหมือนอย่างพระเดชพระคุณหลวงพ่อด๊อกรสะอาดของเรานี่ก็เหมือนกันท่านบวชตั้งแต่ตั้งแต่ยังเป็นเด็กอ่ะเจ้าค่ะจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ก็ท่านก็ มุ่งทางธรรมอย่างเดียวอย่างนี้ใช่ไหมใช่จิตของท่านเป็นอย่างนี้ท่านเคยบอกให้ฟังตอนไม่เด็กๆแล้วเห็นพระนี่ชอบเลยเแล้วก็คืออยากจะเป็นพระมีความคิดน้อมใจว่าฉันอยากจะบวชตั้งแต่เป็นเด็กๆ แต่ามาไม่เป็นอย่างนั้นแต่มาไม่เป็นอย่างนั้นนะเจ้าค่ะไม่งั้นคงไม่ไปเรียนต่อไปเรื่อยๆนะเจ้าค่ะเจ้าค่ะมันก็แล้วแต่คนนะนะเจ้าค่ะแล้วแต่เหมือนกับแตกต่างกันไปตามตามบุญตามเบื้องหลังที่เราทํามานะเจ้าคะแล้วก็จิตด้วยอินรีอินทรียตรงนี้แหละจะจะนึกถึงประเด็นที่คุณจะใจจะพูดจุดีระเดว่าจะเป็นตัวบ่งบอกว่าใครสักคนใดคนหนึ่งเนี่ยอจะบวชต่อไปได้หรือว่าจะเป็นฆราวาสเจ้ะเพราะว่าวิสัยของการปฏิบัติในธรรมไว้ไหนนี้เนี่ย มีอยู่สองวิสัยนะคือเป็นฆราวาสหรือเป็นเป็นภิกษคนะุคือบางคนบอกว่าฉันไปปฏิบัติธรรมมาแล้วนะจะต้องวางหมดเลยนะแต่งหน้าก็ไม่แต่งเนะที่ยวเล่นอะไรก็ไม่ไปคุณต้องเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยนะจากหน้าอะไรสักหนึ่งเป็นหน้าอะไรสักหนึ่งเนี่ยนะจากหน้าหน้ามือไปหลังมือเนี่ยน ะ, ะซึ่ ง, ซ, งซึ่งมันจะมันจะไม่ใช่เป็นอย่างนั้นหรอกมันมันแล้วแต่คือถ้าคุณไปปฏิบัติธรรมมาแล้วไม่ใช่ว่าคุณจะต้องไม่ไม่ยุ่งเกี่ยวอะไรเลย นะหรือว่าจะต้องไม่ไม่ใช้ของอะไรที่หรูหราฟู่ฟ้ามันก็ไม่เกี่ยวกับคนบริษประเด็นล ะ, ะละก็เลยจะมาพูดถึงประเด็นนี้เกี่ยวกับเรื่องอินซีนีน่ยแหละอันนี้โยมอยากจะถามเลยเจ้าค่ะประสบการณ์ตรง ขออนุ ญ, ญาตท่านผู้ฟังที่จะกลับไปถามเพื่อกาไรไพภูพณีภิภุโนนะเจ้าคะ่ะยมคิดว่าคงมีหลายๆท่านแหะที่ว่ามีกรณีนี้เหมือนกันก็คือว่าพอเราปฏิบัติธรรมเนี่ยระวางจิตเราได้เรามีความสุขในระหว่างการปฏิบัติธรรมเคร่งครัดทำปฏิบัติทุกอย่างแต่พอเรากลับมาในชีวิตประจําวันที่ต้องกลับมาทํางานนะเจ้าคะ่ะสิ่งที่เราได้จากการปฏิบัติธรรมก็คือการที่เราวางจิตเราได้จริงๆมีปัญหาอะไรเนี่ยเราจะกลับมาที่ลมหายใจคือทําให้จิตเราสงบอย่างแท จริงอันนั้นนะเป็นความสุขที่โยมค้นพบนะเจ้าคะแต่มีประเด็นหนึ่งที่ว่าโยมนี่ก็จะทุ่มเถียงกับน้องชายอยู่ค่อนข้างมากนะเจ้าคะ <laughs> ก็คือการที่ว่าโยมทราบแหละว่าเราเนี่ยอยู่ในร่างนี้เนี่ยไม่ใช่ร่างของเราเรามาอาศัยเขาอยู่แต่โยมก็คิดว่าในเมื่อเราจะต้องกลับมาปฏิบัติหน้าที่อะไรต่างๆเราก็รักษาล่างนี้ให้ดีที่สุดถ้าพูดตรงๆก็คือว่าโยมก็ยังรักสวยรักงามนะเจ้าคะก็ยังแบบว่าชอบแต่งตัวชอบแบบทําตัวให้ดูดีอะเจ้าค่ะ แล้วก็ไปทาทรีตเมนต์อบเกี่ยวกับเรื่องของผิวพรรณหน้าตาอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ mm hmm. อันนี้ก็เป็นตามภาษาผู้หญิงนะเจ้าค่ะ mm hmm. แต่เนี่ยน้องชายก็จะก็จะมาว่าบอกว่าอ้าวแบบว่าไปปฏิบัติธรรมมาแล้วทำไมยังทำอย่างนี้อยู่อย่างนี้เ <c oughs> จ้าค่ะ <c oughs> ซึ่งประเด็นเนี้ยเจ้าค่ะโยมก็เลยขอถือโอกาสกราบนัสกสการเรียนถามเจ้าค่ะว่า คนที่ไปปฏิบัติธรรมเนี่ยยมคิดว่าถ้าเผื่อเขายังมีความจําเป็นที่ต้องกลับมาอยู่ตรงนี้แล้วก็ยังรักสวยรักงามยังคิดว่าไม่ได้ว่าตัดทางโลกไปเลยอย่างเงี้ยเจ้าค่ะมันก็เป็นไปได้ใช่ไหมเจ้าคะไม่ใช่ว่าจะต้องค่ําคลื้ต้องไปแต่งตัวต้องเชยไปเลยอย่างเงี้ยเจ้าค่ะอันกราบนิมนต์เจ้าค่ะเป็นเป็นประเด็นที่ดีนรู้สึกอึดอัดใจเจ้าค่ะเพราะว่าเพราะว่าบางคนเนี่ยคิดว่าคนมาปฏิบัติธรรมเนี่ยจะต้องเขาเรียกว่าค่ําคลื้อ เป็นระดูแบบมึนๆตึงๆ <Okay. S 1> ไม่มีสีสันในชีวิตเป็นคนจืดๆพูดอะไรก็พูดแต่เรื่องธรรมะไม่มีมุกตลก <Okay. S 1> โอ้ยอันนี้ไม่ใช่แล้วคุณคุณเข้าใจธรรมะผิด <Okay. S 1> เพราะว่าธรรมะจริงๆเนี่ยอย่างตลกมุกที่มุกตลกที่ไม่ไม่ไมเพอ้อเจอ้อก็มีใช่ไหม <Okay. S 1> หรือว่าการที่หาความสุขชนิดที่เป็นไปโดยธรรมพระเจ้าก็เคยบอกไว้พระเจ้าบอกอย่างนี้บอกว่าไม่สลากความสุขที่เกิดโดยธรรม นะแต่ว่าอย่างสมมุติการที่คนใดก็คนใดคนหนึ่งเนี่ยจะรักสวยรักงามทําไมจะไม่ได้ในะอย่างเทวดาหรือว่าใครก็เขาเขาสวยงามเขายังเป็นโสตบัญได้โอเคนะเรื่องในสมัยพุทธกาลก็มีนางวิสาขานะเป็นคนที่สวยสวยสวยมากเลยแล้วนะก็ยังเป็นโสตบัญก็มีซึ่งคนเหล่านั้นเนี่ยถามว่าเอ้ยแล้วมั น, ม, นมันต่างกันยังไงทําไมคนไปเข้าใจอย่างนั้นนะก็จะต้องบอกว่าอย่างนี้ว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยมีอยู่สองวิสัยอย่างที่จะบอกไปคือครว่าตวิสัยกับสมณะวิสัย นั่คือคำสอนพุทาเนี่ยมันหลากหลายคุณเดนใจนัคืออย่างบางทีสอนให้ทํางานอย่างมีทํางานอย่างก็เรียกว่าเต็มที่สอนให้ทํางานให้ตื่นเช้าให้ทํางานให้มีความขยันในขณะเดียวกันสอนพระบอกว่าไม่ต้องทํางานอะไรให้อยู่ป่าอยู่ง่ายง่ายเงียบเงียบเอ้าทํำไมสอนเหมือนตรงข้ามกันกันสิ้นเชิงนะเพราะว่าคุณธรรมมันไม่เหมือนกันไงนั่นคือถ้าเป็นครว่าตวิสัยเนี่ย คุณจะต้องเสพการเป็นธรรมดานะคุณต้องขยันกันแข่งคุณต้องหาเงินคุณต้องเลี้ยงชีพ ค, tribal, um ala, คุณต้องทําอย่างที่สังคมก็ทํากันอย่างดีนะอยู่ในเขตของสี่ห้าอย่างเงี้ยนะในขณะที่สมณะมันไม่ใช่แล้วความปกติของสมณะก็คือว่าไม่ต้องทํางานอะไรง่ายของสมณะ ค, คือไปบิณฑบาตนนั้ด้วยการเลี้ยงชีพด้วยการไปบิณฑบาต ท, ที่เดินจงกรมนั่งสมาธินี่คืองานของสมณะแต่ถ้างานของราวัตคุณมาเดินจงกรมนั่งสมาธิคุณทำผิดห น, าน้าที่แล้วนั่ น, น, น, น, น, นนะคือหมายความว่าถ้าคุณเดินจงกรมนั่งสมาธิเป็นหลัก ในขณะที่คุณเป็นคารวาสคุณต้องไปทํางานนะตื่นเช้าไปทํางานทํางานอะไรก็ได้เป็นข้าราชการก็ได้ทํางานบริษัทก็ได้ทํางานส่วนตัวก็ได้แต่แต่ว่าให้มีการเลี้ยงชีพนะให้มีเงินเข้ามานะให้รู้จักใช้ใจ่ายทรัพย์อย่างเหมาะสมให้มีการประหยัให้มีการปาระหยัดกันแข่งคุณธรรมตรงที่พุทเจ้าสอนทีนี้พอเรามาปนกันแล้วเนี่ยมันจึงงงนะว่าอา้าวคารวาสคุณต้องปฏิบัติเหมือนพระอันนี้ไม่ใช่เลยนะคารวาสเนี่ยมีวิสัยของคารวาสคือคือความธรรมดาของคารวาสคารวาสเนี่ยเป็นผู้เสพกามคุณต่นใจ หลวงพชอเคยบอกไว้ว่าเป็นผู้เสพกรารนะเสพกรารก็คือหาความสุขทางตาหูจมูกลินกกกล้นกายใจตาหูจมูกลิ้นกายห้าอย่างนะ <Okay. S 1> ทีนี้สิ่งที่เราต้องระวัง ค, คือไม่เป็นผู้หมกมุ่นในความสุขนั้นสมมติเราไปทาครีมมาทาหน้าอย่างเงี้ย <Okay. S 1> ถ้ามันหมดลิ์ครีมแล้วเนี่ยนะหน้ามันจะเหี่ยวมันจะไม่เด้งแล้วเนี่ยมันก็เป็นไปตามนั้นอนะ <Okay. S 1> เราเราก็ทำอะไรไม่ได้แต่เราไม่จี๊ดไง นั่นมันจะต่างกันคนที่ไม่ไปปฏิบัติธรรมไปทำทำหน้ามีไหมมีคนที่ปฏิบัติธรรมไปทําหน้ามีไหยก็มีถามมาแล้วสองคนนี้ต่างกันยังไงทำไมยังรักสวยงามก็เป็นธรรมดานะเพราะว่ายังยั ง, ยงหาความสุขทางตาอยู่เนี่ยใช่ไหม <Okay. S 1> ยังหาความสุขทางกายอยู่นี่ยก็เป็นธรรมดาแต่ถ้าพระเนี่ยไปทําหน้านี่ไม่มีนะอันนี้ไม่ถูกนะหรือเออคนละอย่างกันหรือว่าถ้าจะเอามาทานหน้าก็เพราะว่าหน้าเป็นแผลหรือเป็นเป็นเออเป็นเขาเรียกว่าเป็นโรคเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็ทําได้ นะทาได้ตามตามเหตุตัณหาใจแต่ไม่ใช่เพราะว่าความสวยความงามพระนี่ส่องกระจกนี่ยังผิดเลยอ น, น, นอกจากส่องพราะว่าจะดูว่าเราแก่ไปเท่าไหร่อนี้ส่องได้ <Okay. S 1> อ่ทีนี้อย่างว่าถ้าพระว่าไปทําคนที่ไม่ได้เคยปฏิบัติธรรมะไม่รู้ธรรมะไปทำต่างกับคนที่รู้ธรรมะไปทํำยังไงมันต่างกันตรงนี้สมมุติว่า เ, าเขาคิดตางเราเท่านี้บาทนะเขาควรจะต้องทําเราเท่านี้แบบนะด้วยใช้เวลาเท่านี้นะแต่คนที่ไม่มีธรรมะเนี่ยสมมติเขาทําขาดไป5นาที นะหรือว่าขาดส่วนผสมตรงนี้ไปนะจะมีการด่ากันละอืะแต่คนที่มีธรรมะจะไม่ด่านะจะอดทนได้หรือจะคุยกันดีๆนะประเด็นที่สองจะต่างกันตรงที่ว่าถ้าเปิดไปทำมาแล้วทำบางอย่างดีแล้วแล้วนะปรากฏ5ปีสิ 10, ปีผ่านไปหน้าเริ่มเหี่ยวนะคนที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมเนี่ยจะเริ่มจีดจะอารมณ์ไม่หงดอารมณ์ไม่จอยอาร ม, มบ์โรไป แ, แต่คนที่ปฏิบัติธรรมนี่จะสบายใจอยู่ได้เห็นทุกอย่างเป็นเรื่องธรรมดา ทีนี้จึงต้องบอกตรงนี้ว่าคารวาสวิสัยกับสำนักวิสัยไม่เหมือนกันนะสำนักวิสัยเนี่ยเป็นเหมือนกับทหารประจําการนะก็ต้องฝึกและเตรียมออกรบละเนี่ยเตรียมเตรียมออกรบสู้กับกิเลสอย่างเต็มที่นะในขณะที่คารวาสวิสัยเนี่ยเป็นเหมือนกับทหารกองเกินทหารกองหนุนนะเอาเรียกมาช่วยเฉพาะเวลาที่บ้านเมืองมีภัยเท่านั้นนะบางทีคุณก็มาฝึกบ้างนะปีหนึ่งมาฝึกสักครั้งสองครั้งที่เหลือคุณก็ไปสัาความสุขอย่างคารวาสธรรมดาแต่ให้อยู่ในขอบเขตของศีนะ อย่าเป็นผู้ที่รุ่มหลงในหมกมุ่นในความสุขนั้นเกินไปอันนี้มีได้ฝึกบ้างเท่านั้นเองก็เป็นไปนธรรมดาออันนี้โยมคิดว่าส่วนใหญ่ในสังคมก็<อ>ก็ยังมีอย่างนั้นเยอะนะเจ้าคะแล้วก็เพิ่มมากขึ้นแต่ตีนี้เนี่ยประเด็นนี้ที่โยมกราบนัสการเรียนถามนี่ก็เพราะว่าคิดว่าหลายคนคงมีปัญหาเหมือนกันเทพนี้นิยมต้องให้น้องชายฟังเลยนะเจ้าคะจะได้ไม่มานั่งว่านะเจ้าคะทีนี้โยมขออนุญาตกับ เรียนถามเพิ่มเติมนะเจ้าค่ะว่าสําหรับคนที่ได้ไปปฏิบัติธรรมแล้วล่ะทีนี้พอกลับออกมาเนี่ยเจ้าค่ะก็มีหลายคนที่ว่าจะต้องประพฤติตัวให้แตกต่างไปนะค่ะให้เห็นว่าชัตเนี้ยปฏิบัติธรรมต้อง<ม>แต่งชุดขาวต้องทานมังสวิรัตแล้วกหมอชันทานมังสวิรัตนะอะไรอย่างเงี้ยชันทานเจตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะอันนี้เนี่ยโยมขออนุญาตกลับเรียนถามว่าถ้าเราไปปฏิบัติธรรมเราได้ด้วยด้วยใจของเราเราสงบได้ เนี่ยมันจําเป็นไหมเจ้าค่ะที่ว่าจะต้องทานมังสวิรัตต้องต้องเป็นแบบเหมือนจะเป็นนักบวชไปอย่างไ น, นเจ้าค่ะอืมอันนี้ก็แล้วแต่บุคคลนะเจ้าค่ะทีนี้ผู้ชอบบัญญัตริรูปแบบของการปฏิบัติเอาไว้อยู่อย่างง่ายๆเนี่ยสั้นๆตรงนี้อยู่ประมาณประมาณสี่รูปแบบและอย่างอย่งที่แบ่งให้ฟังก็คือสมณะกับคารวาใช่ไหมนี่กว้างๆแต่ถ้าเราจะแบ่งให้ละเอียดหน่อยนะคือสมณะก็ก็คือส่วนหนึ่งละคารวาเนี่ยยังแบ่งได้เป็นอีกสองรูปแบบนะคือคารวาที่ธรรมดาสื่อสีหน้าธรรมดา นั่นก็คืออย่างคุณเตนใจอย่างเงี้ยอย่างลักสณะนักงามอยู่บ้ากินอาหารเย็นหรูๆบ้างทําหน้าบ้าง<ช><ช>อันนี้ก็แต่ว่าเราไม่ไม่ยึดติดหมกมุ่นในความสุขนั้นอันนี้ดีอยู่ใ<ช>นประการที่2รูปแบบที่2ก็คือครวาาที่นุ่งห่กขาวอยู่ประพฤติพรหมจรรย์คืออย่างน้อยศีลแปดแต่ว่าตรงนี้ผู้เชี่ยเน้นว่าอยู่ประพฤติกับผู้ประพฤติพรหมจรรย์นั่นคือหมายความว่าอยู่กับพระอยู่วัดอย่างนี้เป็นต้นอย่างครวาา ที่อยู่วัดถือศีลแปดศีลผ้าขาวอย่างเงี้ยอยู่วัดอันนี้มีนี่รูปแบบที่สองเป็นคารวะได้ค่ะก็เห็นอยู่นะคะใช่เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่ามีครูบาอาจารย์คอยดูแลอยู่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทําได้ดีอยู่อืมเจ้าค่ะก็ต้องอนุโมทนาบุญเลยนะเจ้าค่ะใช่เจ้าค่ะอันนี้ก็เป็นรูปแบบคร่าวๆที่บอกให้ฟังแล้วก็ถ้าถ้าผู้ฟังยังมีคําถามอะไรก็เขียนส่งมาก็แล้วกันเจ้าค่ะไม่ทราบว่าในเช้าวันอาทิตย์ที่แปดกรกฎาคมนี้ที่ประเด็นที่เราได้พูดคุยมา พระอาจารย์ไพบุตรพิบุณมีอะไรที่จะเมตตาฝากสุดท้ายไหมเจ้าคะสําหรับในท้ายรายการนี้เจ้าคะธรรมะก็ต้องบอกว่าเรื่องที่พึ่งเนี่ยบางทีเรามีนะก็เป็นสิ่งที่ดีนะแล้วก็ถ้าอย่างน้อยเรายังมีที่พึ่งในในชีวิตเราแล้วก็ค่อยไปที่จะใช้ที่พึ่งนี้ให้คลายกิเลสออกจากจิตก็แล้วกันการมีที่พึ่งก็ยังดีกว่าคนที่ไม่มีที่พึ่งให้ใช้ธรรมะนี่แหละเป็นที่พึ่งก็แล้วกัน เจ้าค่ะแล้วก็เป็นกลยะนานมิตรของเรานะเจ้าค่ะเราก็จะสามารถมีความสุขอยู่ได้ในเรียกว่าภายในจากภายในเลยนะเจ้าค่ะถูก ต, ต้องสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังค่าก็คงจะต้องนำท่านผู้ฟังกราบอำมลาพระอาจารย์ปบิบุตอพิบุโนเพียงแค่นี้นะคะเวลาในรายการ เช้าวันนี้ของเราหมดลงแล้วค่ะก็จะพบในช่วงของจากจ า, าใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะขอกราบน้ำพสการขอขอบคุณพระอาจารย์ปิบุรุณพิพุโนแห่งวัดป่าดอนไฮโซและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดอรสะอาดที่โตภาโซเป็นอย่างสูงเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเทพานสาธุเจ้าค่ะ